ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมนะคะกับจิตตะนะครค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะสำหรับวันนี้มาถึงตอนที่13แล้วค่ะ คุณ้ฟังทราบมาก่อนไหมคะว่าบทพระนิพนธ์จิตตานครเป็นพระนิพนธ์ที่องค์สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งพระไทยที่จะใช้เป็นบทละครวิทยุและก็ทรงอ่านองคอากาศด้วยพระองค์เองด้วยนะคะพระนิพนธ์กระบวนการทำงานของจิตใจโครงสร้างของจิตใจสาเหตุแห่งการเกิดสุขและทุกข์ของมนุษย์ให้เป็นลักษณะของตัวละคร มีพระเอกมีผู้ร้ายมีนางเอกมีผู้ช่วยฝ่ายดีผู้ช่วยฝ่ายร้ายมีครบหมดทุกรสเลยนะคะเป็นรูปแบบของละครหรือว่าบุคลาธิสฐานเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเกิดความสนุกที่จะติดตามแล้วก็เข้าใจง่ายถึงแม้ว่าจะมีศัพท์าทางบาลีเยอะอยู่สักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา แล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดความอยากรู้ว่าไอ้ตกลงตัวนี้นี่มันหมายถึงอะไรนะคะก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้จริงๆแล้วมีบางท่านที่บอกว่าเวลาอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยไม่อยากเจอภาษาบาลีเลยรู้สึกว่าเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยไม่อยากได้ภาษาบาลีอยากจะได้เป็นภาษาปกติจริงๆแล้วดิฉันว่า ได้รู้ได้เห็นภาษาบาลีบ้างก็ดีนะคือถ้าเกิดตัวไหนไม่รู้เราก็จะได้รู้ตัวไหนไม่เคยเจอเราก็จะได้เจอแล้วถ้าเกิดว่าเร า, าไม่รู้จักมาก่อนเราก็จะได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าตกลงตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรกันแน่เราก็จะได้ความรู้เพิ่มนะคะดีกว่าที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับรู้หรือว่าตัดออกไปหมดเลยแม่ คิดดูแล้วมันก็น่าน้อยใจนะคะทีภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรต่อมิอะไรที่เราสนใจที่เป็นภาษาต่างชาติยากๆเรายังสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เห็นจะเคยบ่นอะไรเลยนะคะแต่ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการเผยแผ่ธรรมะแท้ๆเรากลับตั้งแง่รังเกียจลั ง, งนกรกันสารพัดทั้งๆ ท, ที่เราก็เป็นชาวพุทธนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเถอะคะ่ะ ฟังไปเถอะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ดิฉันว่ามีประโยชน์แน่นอนนะคะและถ้าเกิดเรารู้มากขึ้นเราก็จะสนุกดิฉันเองก็เรียนรู้ร่วมไปกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะมีหลายตัวที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยสำหรับวันนี้ตอนที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบต่อมาจากคราวที่แล้วเนาะเป็นเรื่องของระบบในร่างกายระบบในจิตตนครนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของภัยอันตราย ที่มาประชิดจิตตะนะครที่ทางฝ่ายนาครสามีก็กำลังสองจิต2ใจใจหนึ่งก็เชื่อทางฝ่ายสมุไทยว่าเราเนี่ยแข็งแกรง่งสามารถที่จะต่อสู้และก็รับมือได้ในขณะที่อีกทางหนึ่งก็ชักจะเอ็นเอียงไปทางคู่บารมีที่ให้พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ไปทัวร์จิตตนะครกันต่อเลยค่ะกับระบบการทางานใน จิตตะนาครนนะคะจะเริ่มต้นจากระบบย่อยอาหารแลวก็ระบบขับถ่ายค่ะในร่างกายของเราหรือว่าในจิตตะนครนนี้นะคะจากตอนที่แล้วที่พูดถึงระบบต่างๆระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบหายใจระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ําเหลืองมาคราวนี้มาที่ระบบย่อยอาหารและการถ่ายเทค่ะ ซึ่งประกอบด้วยหลอดจากปากลงไปและอวัยวะต่างๆเช่นลิ้นต่อมน้ำลายมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารการดูดอาหารเข้าไปแล้วก็การช่วยระบายอาหารออกระบบขับถ่ายปัสสาวะก็ประกอบด้วยอวัยวะในระบบขับถ่ายทั้งปวงมีไตเป็นต้นมีระบบสืบพันธุ์หรือระบบสร้างเมืองใหม่แห่งจิตตะนครและก็ยังมีระบบ ต่อมไร้ท่อซึ่งประกอบไปด้วยต่อมต่างๆฉีดสิ่งที่ตนสร้างขึ้นเรียกว่าฮอร์โมนเข้าสู่เส้นโลหิตโดยตรงและไม่มีท่อของตัวเองสิ่งที่ฉีดเข้าไปนี้มีหน้าที่ควบคุมส่งเสริมและสัมพันธ์กับการทำงานในร่างกายให้เป็นไปโดยปกติ ระบบทั้ง9้าต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตจากโรงงานในจิตตะนครมาประกอบมากขึ้นนะคะเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดระบบเหล่านี้ก็พลอยชำรุดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกถ้าทั้ง5้าผู้เป็นอธิบดีกรมโรงงานก็ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเต็มที่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเดิมก็เรียกได้ว่าแค่พอปะท่ปะทางไป แล้วก็ยังเกิดเหตุเพศภัยขึ้นอีกชนิดหนึ่งชาวจิตตนะครเรียกว่าพยาธิภยัยอันนี้จะมีเฉพาะในจิตตนะครเท่านั้นจริงๆภัยนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ว่าเมื่อตอนที่จิตตนะคทรยังดีภูเขาวงแหวนยังล้อมอยู่ไกลยังไม่มีอาการแปรปรวนภายในโรงงานทั้งหลายก็ยังคงทํางานผลิตสิ่งทั้งหลายป้อนระบบงานในจิตตนะครอยู่อย่างดี พยาธิภัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็ไม่ทําให้จิตตานครลำบากระบนอะไรนะักทั้งระบบการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นมากคั้นจิตตานครโทมลงมีภูเขาเมื่อมาวงรัตเข้ามาใกล้พยาธิภัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงขึ้นทั่วไปท่าทางห้าเป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่เคยหัวเราะเยาะพยาธิภัยเพราะทนงในความแข็งแรงธรรมะธรรมแงของตนว่าพยาธิภัยทาอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ หัวเราะไม่ออกซะแล้วค่ะต้องป่วยเจ็บลงเพราะพยาธิไัยนครสามีรีบส่งแพทย์หลวงไปรักษาก็พอได้ผลขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อนจิตตนครได้กลายเป็นนครแห่งอันตรายอย่างชัดเจนแล้วนะคะส่วนฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองทั้งปวงก็มองเห็นอันตรายที่คืบคลานเข้ามาใกล้โดยรอบอีกทั้ง กองทัพฝ่ายคู่บา ร, รมีแล้วก็กองทัพฝ่ายสมุทไทยก็กำลังประชิดกันอยู่การต่อสู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีความเรียกว่าหน้าประวันพรั่นพรึงมองหาที่พึ่งป้องกันอันตรายสมุทไทยเองก็ได้แลเห็นภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งพ้นจากอํานาจที่สมุทไทยจะครอบงำได้ คือสมุทัยเองก็ไม่มีอำนาจที่จะไปผลักกั้นภูเขา ว, วงรอบจิตตานครให้ถอยหลังกลับไปได้ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขความชมรุดสุ่มโสมภายในจิตตานครและก็ไม่สามารถป้องกันพยาธิภยัยสมุทัยเก่งในในการใช้มายาต่างๆปกปิดอำพรางไม่ให้สัจจะปรากฏแกต่ตาใช้อารมณ์อำพรางใจมิให้คิดเห็นเพราะสิ่งที่สมุทัยกลัวอย่างที่สุดก็คือ สัจจะความจริงค่ะและสิ่งที่กลัวนี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจจะปกปิดอำพรางได้ต่อไปเสียแล้วจากนั้นสมุไทยก็เปิดประชุมค่ะหารือกับคู่อาสวะและสังโยศบดีแม่ทัพใหญ่อย่างเคร่งเครียดที่ประชุมมีมติให้สมุไทยเนี่ยรักษาควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจทุกวิถีทางและให้ทาลายกองทัพใหญ่มัดลงให้จงได้ และถ้าจิตตนะครจะต้องเป็นอันตรายเพราะภูขาวงแหวนกริ้งมาบทขยี้ก็ให้คู่อาสะวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมายเพื่อจะได้อบพยศออกไปพร้อมกับกองทัพใหญ่สังโยช์แต่ให้ดาเนินการตามแผนการที่หนึ่งคือควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจก่อนเมื่อได้หารือตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกัน ผู้อาสะวะก็พยายามเข้าควบคุมใกล้ชิดนครสามีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยเติมอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่ทําให้หลงเข้าใจผิดเติมพบความเป็นเราที่เที่ยงยั่งยืนเติมกามความรักความใคร่ในตัวเองเป็นต้นทําให้นครสามีเข้าใจผิดคิดว่าภูเขาที่ล้อมอยู่นั้นเป็นภูเขากระดาษใช้ไม่ขีดก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ หลงคิดว่าตัวตนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เชื่อตามสมุทยัยที่บอกว่าจะให้เป็นเจ้าโลกแต่ผู้เดียวหลงคิดไปว่าเมื่อเป็นเจ้าโลกก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียวไม่ต้องมีเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทุกฝ่ายก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของนครสามีจะรวมกันเป็นฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายของนครสามีแล้วก็จะปฏิบัติตามคาสั่งของนครสามีแต่ผู้เดียวส่วนความชารุดซุดโสม ตลอดถึงโรงงานต่างๆระบบต่างๆที่เก่าแก่แล้วก็บกพร่องไปสมุทัยบอกว่าแก้ไขได้โรงงานไหนเก่าก็จะซ่อมหรือไม่ก็รือ้อทิ้งคือซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็รื้อทิ้งแล้วก็อาจจะมีการสร้างไปสร้างใหม่เป็นโรงรงไปโดยบอกว่านักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เก่งมากสร้างสิ่งสิ่งเทียมต่างๆได้หลายอย่างตัดตาจากศพมาสายตาคนเป็นก็ได้ เรียนหัวใจก็ยังได้ตัดตัดต่อต่ อ, ตอได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างนครสามีเกิดอารมณ์รักตัวกลัวตายขึ้นอีกมากมายฝ่ายสมุไทยก็พยายามสร้างมายาปิดบังอำพรางสัจจะใส่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะและความมัวเมาต่างๆเข้าในจิตตนนครอีกมากมายเช่นเดียวกันสังโยตบดีก็สั่งกองทัพใหญ่ให้เตรียมบทขยี้กองทัพใหญ่มัศเมื่อถึงเวลาถึงจังหวะ ถึงแม้ว่าฝ่ายสมุทไทยจะพยายามอย่างมากมายแต่ก็หาได้ควบคุมนครสามีตามประสงค์ได้ไหมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคู่บา ร, รมีก็คอยเฝ้ารักษาคู่คือนครสามีอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันแล้วก็คอยเพิ่มเติมบา ร, รมีธรรมต่างๆให้แก่นครสามีเป็นต้นว่าปัญญาบา ร, รมีประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึงพระตนะไตรเป็นสารณะเฉพาะตนครั้งหนึ่งพร้อมกับชาวจิตตนครทั้งปวง เมื่อกองทัพใหญ่มกักแสดงกําลังอีกครั้งหนึ่งจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้อันวิเศษของนครสามีจึงแจ่มใสขึ้นการเดินสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยต์ถัดมาการแสดงกําลังของกองทัพใหญ่มกักได้มีประโยชน์มากนะคะทําให้นครสามีได้รู้ได้เห็นทั้งสองฝ่ายตามความเป็นจริงคือได้เห็นพร้อมๆกับชาวจิตตานคร แล้วก็ได้เห็นว่าที่แท้แล้วสมุทไทยคือบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ใช่บ่อกเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงดังที่มีเสียงร้องอื้ออึงขึ้นของชาวจิตตานครเมื่อสิ้นขบวนวิชาที่8ซึ่งเป็นการเปิดหน้ากากของสมุทไทยออกมาให้เห็นสัจจะธาตุรู้ของนครสามีจึงเจาะแทงทะลุบรรดาอารมณ์ และมายาทั้งปวงของสมุทไทยออกมาเห็นภัยเฉพาะหน้าของจิตตะนครตามความเป็นจริงภัยของจิตตะนครที่ปรากฏแก่ธาตุรู้ของนครสามีคืออะไรคือภูเขาที่กำลังวงล้อมลุกไล่เข้ามานั่นเองซึ่งไม่ได้เป็นภูเขากระดาษอย่างที่ฝ่ายสมุทไทยพยายามหลอกลวงแต่เป็นภูเขาหินล้วนที่น่าสะพึงกลัว ตัวจิตตาคนครเองที่กำลังเก่าแก่อยู่ก็ไม่อาจจะซ่อมให้กลับคืนดีเหมือนดังเดิมได้และตัวโรงงานเองจะรื้อสร้างใหม่ก็ไม่ได้เว้นไว้แต่จะสร้างซ่อมส่วนเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นผู้เขาวงแหวนดังกล่าวกลิ้งใกล้เขา ม, ามากแล้วจิตตาคนครจะต้องถูกบทละเอียดเป็นแน่แท้ความรู้สึกยิ่งพยองในตัวเราที่ใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกก็ได้หายไป ความเป็นตัวเราที่คลาดกลัวต้องการที่จะหนีจากภัยที่กำลังคุกคามอยู่ความรักตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่งความกลัวเมื่อธาตุรู้ของนครสามีแจ่มจรัสขึ้นในสัจจะดังกล่าวคู่อาสวะก็อยู่ไม่ได้ต้องถอยห่างออกไปทันทีไม่อาจอยู่สู้แสงของธาตุรู้ได้ส่วนคู่บารมีได้ปรากฏขึ้นในที่ใกล้ชิดทันที คือพอคู่อาสวะออกคู่บา ร, รมีก็รีบสวมสวมรอยเข้าใกล้เลยนะคะแทนที่ใช้คำว่าแทนที่เลยคือทั้งคู่นี่ก็เฝ้ารอดูจังหวะอยู่ละค่ะซึ่งทำให้นครสามีเนี่ยเกิดความปิติสมนัตว่าได้พบมิตรที่แท้จริงอันจะอาศัยเป็นที่พึ่งได้ทำให้ความกลัวหายไปเกือบหมดเหมือนกับคนตกน้ำกาลังว่ายน้า เกือบจะสิ้นกำลังแล้วก็หมดหวังในชีวิตยอยู่แล้วแต่พลันได้เห็นแพรลอยมาก็กลับมีหวังรีบขึ้นแพรยึดแพรเป็นที่พึ่งที่พานักโดยเร็วนครสามีก็ยึดคู่บารมีเป็นแพรเป็นที่พึ่งที่พานักทันทีคู่บารมีได้เตือนขึ้นทันทีว่าขอให้นครสามีและชาวจิตตานครทั้งหมดตั้งจิตระลึกถึงองค์พระบรมครูร สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งกําจัดภยัยอย่านึกถึงสิ่งอื่นใดให้เป็นการไม่แน่นอนเป็นการโลเลให้นึกน้อมใจถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นแล้วก็ขอให้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ที่ท่านพระสาวกได้ฟังมาดังนี้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลว่า ถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่กราบทูลพระเจ้าเปรธิว่าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงจรดฟ้ากริ้งบทสัตว์โลกทั้งปวงมาในทิศ ท, ทั้งสี่ขอพระมหาราชจงทรงทากิจที่ควรจะทำในการป้องกันเมื่อมหาภัยบังเกิดอย่างนี้ซึ่งจะทำให้หมู่มนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณทั้งที่การเกิดเป็นมนุษย์เป็นการที่ได้ด้วยยากพระองค์จะทรงทาอย่างไร อันนี้คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสถามพระเจ้าระเสนที่โกศลซึ่งพระเจ้าเะเสนที่โกศลก็กราบทูลว่าเมื่อมหาภัยบังเกิดอย่างนั้นก็ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำได้นอกจากธรรมจริยาความประพฤติ ธ, ธรรมสมจริยาความประพฤติสมควรกุศลกิริยาความทำกุศลบุญกิริยาความทาบุญ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลต่อไปว่าชราและมรณะก็เหมือนอย่างภูเขาใหญ่สูงจดฟ้านั้นเมื่อชาาและมรณะครอบงำสัตว์โลกทั้งสิ้นอยู่จะพึงทำอย่างไรพระเจ้าปเสนที่โกศลก็กราบทูลว่าไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำได้นอกจากธรรมจริยาสมจริยากุศลจริยาและบุญกิริยาเช่นเดียวกันแม้จะมีกองทัพช้างกองทัพมา้า กองทัพรถกองทัพทหารราบที่จะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้แต่จะไม่อาจรบชนะความชราและมรณะได้ถึงแม้จะมีมาหาอมาตย์บนตรีผู้ชาญฉลาดอาจทำลายข้าศึกด้วยมนกลวิธีต่างๆแต่ก็ไม่อาจเอาชนะชรามรณะด้วยมนกลวิธีดังกล่าวได้แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดินในอากาศอาจที่ล่อข้าศึกด้วยทรัย์ แต่ก็ไม่อาจจะซื้อจากชราโมระได้เพราะไม่มีคติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นเว้นไว้แต่ธรรมจริยาบุญกิริยาดังกล่าวแล้วเท่านั้นอำนาจของความประพฤติ ธ, ธรรมและอำนาจของความทำบุญยิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งหลายผู้ไม่ประมาทจึงควรประพฤติ ธ, ธรรมและทำบุญไม่ว่างเว้นเพื่อได้สวยผลควรแก่ความปฏิบัติ ช่วงหน้านครสามีจะเชิญทูตทูตทั้งคู่มาเป็นการด่วนและสมุทรไทยก็จะเปิดฉากการโจมตีทูตทั้งคู่ก็คือสมถะและวิปัสนาทูตที่รอการเข้าเมืองนครสามีอยู่ในขณะนี้ครับ ท้องสมุทรหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพระพุทธเจ้าได้ทรงรับรองพระจํารัดกราบทูลของพระราชาเปรตที่โกศลที่บอกว่าเมื่อมีภูเขามาใหญ่สูงจดฟ้าเมื่อชราและมรณะครอบงำสัตว์โลกจะทำอย่างไรเหมือนกับชราและมรณะเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับภูเขาใหญ่ที่นับวันก็จะบทเคยี่มนุษย์ให้ตายไปให้แหลกลานไปโดยที่ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้นะคะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผลซึ่งพระเจ้าปรเสนทีก็บอกว่าก็คงจะต้องประพฤติธรรมประพฤติกุศลทำบุญแล้วก็ประพฤติมีความประพฤติที่สมควรนะคะ ธรรมจริยาสมจริยากุศลกิริยาบุญกิริยาพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภูเขาหินล้วนสูงจดฟ้าที่กริ้งบทสัตว์มาในสี่ทิศหมุนเวียนอยู่โดยรอบแม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายทั้งขัตติยะทั้งพรามทั้งแพทย์ทั้งสูตรทั้งจันทานและคนเทขยะฉันนั้นความแก่ความตาย ไม่ละเว้นใครย่อมครอบงำย่อมยีให้อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นไม่มีภูมิที่จะยกกองทัพช้างม้ารถคนเดินเท้าไปรบราความแก่ความตายนั้นทั้งไม่อาจจะรบชนะด้วยมันตะยุทธ์หรือด้วยซั์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพึงมองเห็นประโยชน์ของตนเป็นคนทรงปัญญาพึงตั้งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประพฤติธรรมด้วยกายวาจาและใจ อยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่สรนเสริญละไปก็จะบันเทิงในสวรรค์องค์พระบรมครูได้ทรงสอนไว้ดังนี้ฉะนั้นขอให้พากันประพฤติธรรมพากันทําบุญทํากุศลเถิดไฟนครสามีพร้อมด้วยชาวจิตตานะครก็พากันตั้งศรัทธาในพรนะรัตนตรัยอย่างมั่นคงพากันประพฤติธรรมบําเพ็ญบุญกุศลกันทั่วทั้งเมืองคือพากันทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาอบรมใจและปัญญา วิธีอบรมใจนั้นคู่บารมีก็แนะนําให้อบรมในเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาและแผ่ไปทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงคือทั่วไปชําระจิตให้ปราศจากโทสะพยาบาทวิหิงสาริษยาและราคะส่วนวิธีอบรมปัญญานั้นคู่บารมีแนะนําให้อบรมธาตุรู้ให้มองเห็นสัจจะทั้งหลายให้แจ่มชัดเปิดอารมณ์มายาโมหะที่ปิดบังออกเสียให้จงได้ ทุกคนในจิตตะนะครได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่บารมีความหวาดกลัวทั้งปวงได้สงบไปเกือบหมดสิ้นด้วยอำนาจของบุญกิริยาพร้อมด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพรนะธนาไตรัยคู่บารมีมองเห็นว่าถึงโอกาสแล้วที่จะส่งทูตทั้งคู่คือสมถะและวิปัสสนาเข้ามาสู่จิตตะนะครโดยด่วนคู่บารมีจึงแจ้งเรื่องทูตทั้งคู่แก่นครสามีว่า ขณะนี้มีทูตคู่หนึ่งกําลังจะเข้ามาสู่จิตตะนะครทูตคู่นี้เป็นองค์พระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งมาช่วยพร้อมทั้งพระพุทธศาสตรนะครสามีได้ฟังก็เกิดความปลื้มปิติว่าพระพุทธองค์ไม่ส่งทอดทิ้งได้ส่งช่วยในคราวที่ขับขันที่สุดดังนี้ขอให้คู่บา ร, รมีเร่งรับทูตทั้งคู่คือสมาถะและวิปัสสนาเข้ามาโดยเร็วเถิด คู่บารมีจึงน้อมจิตอัญเชิญทูตทั้งคู่คือสมถะและวิปัสสนาเข้ามาสู่นครฝ่ายทูตทั้งคู่ทราบการอัญเชิญโดยกระแสจิตแล้วจึงตรงเข้ามาสู่จิตตานครโดยด่วนข้ามฝ่ายสมุ ท, ทยัยได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกำลังเดําเนินไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่บารมีจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องเปิดการสับประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่อาจาจะรอชาจำจะต้องใช้กําลังป้องกันมิให้ทูดทั้งคู่เข้าเมืองจึงสั่งให้อารมณ์กับนิวรพร้อมกับสมุนทั้งปวงจู่โจมแย่งทวารเมืองมาจากสติกับอินทรีสังวรและพักพวกที่ยึดรักษาทวารคือประตูเมืองไว้อารมณ์กับนิวรและพักพวกได้ยกพวกเข้าปร้นทวารเมืองทันที แต่ก็ถูกสติกับอินซีสองวอนและพรกพวกรับมือเอาไว้ได้แล้วก็ตีให้ถอยร่นออกไปพร้อมกันนั้นค่ะสมุไทยยังสั่งให้ทุจริตสแย่งไตรทวานอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สั่งให้หัวโจกทั้ง3นั้นกับพักพวกก็กวนต่างๆแล้วก็ต่อสู้กับนครบาลคือฮิริโอตปะให้ทั่วไปทั้งเมืองแต่ศีลกับวินัยและสุจริตสามพร้อมทั้งนครบาลคือฮิริโอตปะก็ยังคงยืนหยัด รักษาไตรทวารเอาไว้ได้ให้อสติสัมปัญญะไปยุติการจราจรของเมืองแต่สติสัมปชัญญะก็ยังคงยืนหยัดรักษาสถานการณ์ไว้ได้ให้อิจฉาโลภะมัจฉริยะแย่งครังทรัพย์สินแต่สันโดษก็ยังคงรักษาไว้ได้ให้มิจฉาทิฐิและอโยนิโสมนสีการและมายาชิงสมองเมืองแต่สัมมาทิฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะ ก็ยังคงรักษาไว้ได้ให้ประมาทธรรมยึดใจกลางเมืองแต่อับปรมาทธรรมก็ยังคงรักษาไว้ได้ให้กิเลสตัณหาทั้งหมดก็กวนความสงบทั่วทั้งเมืองแต่ธรรมขันธ์ทั้งหลายที่มัคคบดีส่งออกไปตรวจตราเมืองคล้ายกับส่งกำลังทหารออกช่วยตำรวจก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จับกลุมปราบปรามพวกก่อกวนความสงบสุขของเมืองจนสงบลงได้ชั่วคราวไปสงบได้ทั่วไปนะคะขณะเมื่อสติกับอินซีสังวรและพักพวกชนะอารมณ์กับนิวรและพักพวกศีลกับวินยัยและสุจริตสามพร้อมกับตำรวจนครบาลฮิริโอตปะและฝ่ายคู่บารมีชนะทุจริต3กับหัวโจกทั้ง3าม พร้อมกับพักพวกอันพานและกำลังฝ่ายสมุไทยทุกจุดเกิดความสงบขึ้นทั่วเมืองแล้วคู่ทูตสมถะและวิปัสนาก็พลันมาถึงทวาร น, นครสติผู้เป็นทวารบานก็รับรองเปิดทวารให้ทูดทั้งคู่เข้ามาเมื่อทูดด่วนทั้งคู่ถามว่าสามีคือเจ้าแห่งนครนี้อยู่ณที่ไหนก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ณถนนสี่แพร่งกลางนคร ทูดด่วนทั้งคู่จริงตรงไปสู่ที่อยู่ของนครสามีโดยเร็วแล้วมอบพุทธศาสตร์แก่นครสามีในทันที mm hmm. เมื่ อ, คอนครสามีรับพุทธศาสตร์จากคู่ทูตนั้นมาอ่านในทันใด mm hmm. ก็ได้พบข้อความ mm hmm. ในพุทธศาสตร์นั้นปรากฏว่า mm hmm. นี่คือยะสะยะถาภูตน์ยะถาภูตน์ตคือถ้อยคำตามที่เป็นจริงแล้วของตถาคตมัชชิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติเป็นทางกลางไม่ข้องเกี่ยวที่สุดโต่งสองทางคือการมาสุขขันลิกานุโยกความประกอบความสุขสดอยู่ในกามอัตถกิละมะฐานุโยกความประกอบทรมานตนให้ลำบากอันตถาคตตรัสรู้แล้วว่าเป็นทางธรรมจักสุขธรรมยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานออกจากกิเลสเครื่องเสียบแทง ดุดลูกสรที่เสียบใจมัชชิมาปฏิปทาคือมักทางประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี้อริยสัจคือทุกเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกตายเป็นทุกความโศกความรังจวนใจความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเป็นทุกความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกโดยยอสกลกายเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุก นิอริยสัจจะคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากที่เป็นเหตุให้เกิดอีกเป็นสหายกับนันทิความเพลินราคะสิ่งที่ย้อมใจให้ติดให้ยินดีมีความยินดียิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆตัณหาคือการ ม, มาตัณหาความอยากดิ้นรนไปในกามเพาว่าตัณหาความอยากดิ้นรนไปในภพคือความเป็นนั่นนี่ วิภาวะตัณหาความอยากดิ้นรนไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นนี่น้อริยะสัจจะคือนิโรธความดับทุกข์ได้แก่ความดับความทิ้งความสละความปล่อยความไม่พัวพันตัณหานั้นแหละโดยวิราคะคือสำรอกออกหมดไม่มีเหลือนอิอริยะสัจจะคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8อันประเสรฐนั่นแหละจากสุยาน ปัญญาวิชาอะโลกะความสว่างบังเกิดผุดขึ้นแก่ตาาคตในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาแล้วก่อนว่านี้อริยสัจจะคือทุกข์ข้อนี้นั้นควรกำหนดรู้ข้อนี้นั้นได้กำหนดรู้แล้วนี้อริยสัจจะคือทุกข์สมุ ท, ทยัยข้อนี้นั้นควรละข้อนี้นั้นละได้แล้วนี้อริยสัจจะคือทุกขนคณิโรธ ข้อนี้นั้นควรทำให้แจ้งข้อนี้นั้นได้ทำให้แจ้งแล้วนี้อริยสัจจะคือข้อปฏิบัติให้ถึงทุกขณิโรธข้อนี้นั้นควรปฏิบัติอบรมข้อนี้นั้นได้ปฏิบัติอบรมแล้วแลในพระพุทธศาสตร์ได้กล่าวต่อไปอีกว่าตราบใดที่ยานทัศนะคือความรู้ความเห็นตามเป็นจริงมีวนรอบสามีอาการสองอย่างนี้ ในอริยสั จ, จสี่ยังไม่บริสุดดีแก่ตถาคตตราบนั้นตถาคตก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุท ธ, ธะผู้ตรัสรู้จบอย่างเยี่ยมยอดในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์แต่เมื่อใดยานทัศนดังกล่าววิสุดดีแล้วแก่ตถาคตเมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุท ธ, ธะแล้ว ยานทัศนะบังเกิดผุดขึ้นแก่ตาคาคด้วยว่าวิมุตติความพ้นของตถาคตไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดไม่มีพบใหม่อีกตั้งแต่บัดนี้ไปครั้นพระพุทธศาสตร์ได้แสดงทางปฏิบัติและความตัสรู้แห่งองค์พระบรมครูแล้วก็ได้แสดงชี้เข้ามาโดยเฉพาะเจาะจงว่าสรีระกายนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบไหลเป็นที่ตั้งลงแห่งชราและมัจจุกับมานะคือความสําคัญตนและความลบหลู่พึงรู้กายนี้ว่ามีอุปมาด้วยหมอดินพึงกั้นจิตนี้ซึ่งมีอุปมาด้วยนครพึงรบมานด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาความชนะไว้ไม่ติดอยู่ทำสองประการพึงรู้จักโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นด้วยอภิน ญ, ญา ปัญญาที่รู้ยิ่งคือนามและรูปท่ามสองประการพึงละด้วยอภิญญาคืออวิชชาความไม่รู้ในสัจจะและภาวะตัณหาความอยากเป็นเหตุให้ยึดเป็นตัวเป็นตนท่ามสองประการพึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญาคือวิชาความรู้ในสัจจะและวิมุตติความหลุดพน้นท่ามสองประการพึงปฏิบัติอบรมด้วยอภินญาคือสมถะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสงบใจและอารมณ์ ทำจิตใจให้เป็นสมาธิวิปัสสนาข้อปฏิบัติทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสำเร็จเป็นอภิญยาปัญญาที่รู้ยิ่งเป็นเหตุให้รู้จักนามและรูปให้ละอวิชาและภาวะตันหาให้ทำให้แจ้งวิชาและวิมุตต์และให้ปฏิบัติอบรมสมถะและวิปัสสนาให้บริบูรณ์แลจบพุทธศาสตร์เพียงเท่านี้ ผู้บารมีได้กำกับจิตของนครสามีอยู่อย่างรอบคอบนครสามีจึงอ่านเข้าใจคือมีสมาธินะคะเพราะว่าคู่บารมีกำกับจิตอยู่ตลอดนครสามีทราบซึ้งสัจจพจน์ทุกถ้อยคำอย่างน่าอัศจรรย์เมื่ออ่านจบได้เพ่งพินิษทูตทั้งคู่คือสมถะและวิปัสสนาทีแรกเพ่งดูทีละหนึ่งแล้วจึงเพ่งดูพร้อมกันทั้งคู่น่าประหลาด ที่เมื่อเพ่งดูทีละหนึ่งเห็นไม่ถนัดนักแต่เมื่อเพ่งดูทั้งคู่จึงมองเห็นได้ถนัดขึ้นทั้งได้มองเห็นทางที่ทู่ทั้งคู่นั้นได้มองเห็นทางที่ทู่ทั้งคู่นั้นดำเนินว่าเป็นทางพิเศษมีช่ทางสีแพร่งแห่งจิตตานครแต่ก็ไม่นอกไปจากทางสีแพร่งนั้นเมื่อเพ่งพินิจยิ่งขึ้นจึงปรากฏเป็นทางมีมัสมีองแปด ที่กล่าวถึงในตอนต้นของพุทธศาสสนั่นเองว่าหาใช่ทางอื่นที่ไหนไม่ครั้นมองเห็นทางมาของทูตทั้งคู่ประจักษ์ชัดแล้วนครสามีก็เพ่งพินิษที่สมถะมองเห็นจิตที่สงบตั้งมั่นเพ่งลงไปในจิตนั้นก็พบวิปัสสนาซ้อนกันอยู่กับสมถะเพราะเป็นทูตที่คู่กันขณะนั้นสมุทัยได้สั่งกองทัพใหญ่สังโยต ให้ทําการโจมตีกองทัพใหญ่มาร์กทันทีเพราะเป็นจังหวะ ส, สุดท้ายแล้วที่จะสามารถขัดขวางทำลายฝ่ายคู่บารมีในตอนต่อไปตอนที่14จะเป็นตอนอวสารค่ะคุณผู้ฟังคะจะเป็นฉากการต่อสู้ของกองทัพใหญ่ทั้งสองคือกองทัพฝ่ายสมุ ท, ทยัยอันมีสังโยชตบดีเป็นแม่ทัพใหญ่และกองทัพฝ่ายคู่บารมีที่มีมาร์กขบดีเป็นแม่ทัพใหญ่กองทัพใหญ่ทั้งคู่จะต่อสู้กัน นครสามีจะเป็นอย่างไรนะคะจิตตานครจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนหน้ากับจิตตานครพระนินพนธ์ในสมเด็จพระยาณสองวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง